ขอจเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบอยสัตวอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันสุกที่ย3สบสามิถุนายนพุทธศักราชสองห้ยหกสเป็นวันพระวันธรรมรสวนะวันฝังธรรมวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรง กำหนดให้พุทธบริษัทมาวัดเพื่อมาทำหน้าที่ของชาวพุทธการที่เราจะเป็นพุทธแท้นี้เราต้องปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับเราถ้าเราไม่ทำหน้าที่ของชาวพุทธเราก็จะเป็นเพียงชาวพุทธในทะเบียนบ้านถ้าเป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านจะไม่ได้รับประโยชน์ ไม่ได้รับความสุขจากการทำหน้าที่ของชาวพุทธดังนั้นชาวพุทธแท้จริง จ, งจึงต้องทำหน้าที่ให้มาวัดในวันหยุดทำงานสมัยโบราณก็มีธรรมเนียมที่จะหยุดทำงานในวันพระกันคือวันแปดขําขึ้นแรงแปดข้ามขึ้นแรงสิบห้าลุยแรงสบสี่ข้าม นะยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงไปวันหยุดทำงานของญาติโยมก็เลยบางทีไม่ตรงกับวันพระดังนั้นถ้าอยากจะเป็นพุทธแท้อยากจะทำหน้าที่ของชาวพุทธก็ต้องเอาวันหยุดทำงานนี้มาเป็นวันพระแทนเช่นสมัยนี้เราหยุดทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ต้อง มาวัดในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดทำงานของเราเพื่อที่เราจะได้มาทำหน้าที่มารับประโยชน์สุขจากพระพุทธศาสนาที่ไม่มีศาสนาใดในโลกนี้สามารถให้ประโยชน์สุขได้เท่ากับพระพุทธศาสนาเพราะประโยชน์สุขที่จะได้รับจากพระพุทธศาสนาที่สูงสุด ก็คือการได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายประโยชน์สุขเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชาวพุทธเรามาทาหน้าที่มาวัดกันอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งหน้าที่ของชาวพุทธมีอะไรบ้างหน้าที่อันแรกก็คือมาศึกษา พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปริยาติธรรมเมืม่อเราได้ศึกษาได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำอะไรให้ปฏิบัติอะไรเราก็นำเอาไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์ได้รับผลจากการปฏิบัติเรียกว่าปฏิเวทได้หยุดพ้นจากความทุกข์ต่าง ตามขั้นตอนของการปฏิบัติของเราอย่างเมื่อกี้นี้ญาติโยมก็มาปริยัติแล้วมาสมาทานศีนห้าการสมาทานศีนห้าก็เป็นการมาขอให้พระสอนบอกให้รู้ว่าศีนห้ามีอะไรศีนห้าถ้าไม่สอนไม่บอกญาติโยมก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็จะไม่สามารถนำเอาไปรักษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขได้แต่พอญาติโยมได้ยินได้ฟังแล้วแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการรักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดตัวเองนี้ละเว้นจากการพูดปดละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาพอได้ศึกษาแล้วขั้นต่อไปก็ต้องเอาไปปฏิบัติ ไม่ใช่พอออกจากสารานี้ไปก็ทิ้งศีลไว้ที่ศาลานี้ไม่เอาติดตัวไปด้วยวันนี้เราได้ศึกษาได้สมาทานศีลเราจะนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติอ น, นิสงส์ของศีลที่ได้แสดงไว้สามประการก็จะปรากฏขึ้นมาเช่นซีเลนะสุขติยันติศีลจะนำผู้ปฏิบัติรักษาให้ไปสู่สุขติ เวลาตายไปไม่ต้องมาให้คนเขาอวยพรให้เราไปสู่สุคติเนีเพราะการอวยพรให้ไปสุคติหรือไม่นั้นเป็นไปไม่ได้จากการอวยพรการที่เราจะไปสุคติเราต้องรักษาศีลห้าละ ก, การกระทําบาตรตั้งปวงเพราะการทําบาปจะเป็นเหตุที่จะทําให้เราต้องไปเกิดในทุกคติไปเกิดในอบาย แต่ถ้าเราละเว้นจากการกระทำบาป ท, ทั้งห้าประการนี้เราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายเราจะไปเกิดในสุคตินไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรมเป็นพระอริยเจ้าตามลำดับต่อไปนี่เรียกว่าสี่เลนะสุคติยานติสี่เลนะโพกสัมพธาผู้มีศีลย่อมมีโพกษัพ เพราะผู้ที่ทามาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุดเจริกนี้ <c oughs> เงินทองจะไม่หายไปง่ายๆเหมือนกับการที่ไปหาเงินมาจากการทำบาปพวกที่ไปป้นไปจี้ไปไปรักทรัพย์นี้ได้มาแล้วก็จะเอาไปใช้กันทันทีเพราะกลัวเหน๋ยวถูกจับแล้วจะไม่ได้ใช้ก็เลยต้องรีบใช้กันก่อน ดังนั้นพอใช้หมดก็ต้องไปขโมยใหม่ต้องทําบาปใหม่แต่คนที่ทํามาหากินด้วยความสุจริตไม่ทําบาปจะเห็นคุณค่าของเงินทองที่หามาได้และเป็นเงินทองที่จะไม่สูญหายไปง่ายเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ตำํำรวจจะมาจับเราไปเข้าคุกเข้าตารางทรัพย์ ส, สมบัติที่เราหามาด้วยความสุจริตก็จะเป็นของเราต่อไป ข้อที่ 3, สามที่เลนนิบุยนิบุติยันติการรักษาศีลจะช่วยดับความทุกข์ต่างๆได้ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปจะไม่เกิดความทุกข์ที่เกิดจากไปฆ่าผู้อื่นจะไม่เกิดความทุกข์ที่เกิดจากการไปลักทรัพย์จากการประพฤติผิดประเวณีจากการพูดปดจากการดื่มุรายาเมาจะไม่เกิด จากผู้ที่รักษาสี่ห้าถ้าเราไม่รักษาสินห้ า, า, เ, ร า, า, หาเราไปฆ่าผู้อื่นใจของเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีจะหวาดกลัวจะหวาดระแวงจะกังวล น, นี่คือความทุกข์ต่างๆเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตกใจ ท, ทั้งทัางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่ได้มาจับเราเพราะเขาไม่รู้ว่าเราได้ไปทำผิดกฎหมายมา แต่เนื่องจากการกระทำของเรานี้เรารู้อยู่แก่ใจของเรามันเป็นเหมือนแผลในหัวใจพออะไรมาสกิดหน่อยพอได้เห็นภาพได้ยินเสียงหน่อยก็ตกใจกลัวกันแต่ถ้าเราไม่ทำบาปต่อให้มีตำรวจมาทั้งกองร้อยกองพันเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่สุขไม่ไม่วิตกไม่หวากลัวเพราะเรารู้ว่าเขาไม่สามารถ จับเราไปเข้าคุกเข้าตลาดได้นี่คือตัวอย่างของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเราต้องศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัติอะไรเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับอนิสงส์ได้รับผลจากการปฏิบัตินอกจากการรักษาศีลท่านก็สอนให้เราทำบุญให้ทาน สอนให้เราภาวนาคือให้เราเจริญสมาธิให้เราเจริญปัญญาเพราะนี่เป็นการกระทาที่จะกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปการรักษาศีลก็กาจัดไปส่วนหนึ่งการทาบุญทาทานก็จะกาจัดไปอีกส่วนหนึ่งการนั่งสมาธิก็จะกาจัดไปอีกส่วนหนึ่ง การเจริญปัญญาก็จะกำจัดส่วนที่เหลือให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรต้องมีการกระทำทั้งสี่ประการนี้คือทำบุญทาทานรักษาศีลนั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาด้วยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราไม่มีปัญญา เราเลยต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าการที่เราจะรับปัญญาจากพระพุทธเจ้าก็คือรับด้วยการศึกษาพ่อธรรมคําสอนด้วยการฟังเทศฟังธรรมก็ได้ด้วยการอ่านหนังสือธรรมะที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็ได้เรา เ, เป็นการเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาเป็นของเรา เมื่อเราได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำอะไรเราก็นำเอาไปปฏิบัติเมื่อ ป, ป, ป, ปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเช่นถ้าเราทำบุญทาทานเรารักษาศีลเราก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราตายไปใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเรายังต้องไปต่อ ไปตามอำนาจของบุญของบาปที่เราทำไว้ไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาที่คอยผลักดันให้ใจของเราไปเกิดอยู่เรื่อยอย่างนั้นเวลาเราตายไปถ้าเรารักษาสีหน้าเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกแต่ ถ้าเราไม่ได้ทําบุญเพียงแต่รักษาศีลห้าเราก็จะไม่ได้ไปสวรรค์ไปได้แค่มนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าอยากจะไปสวรรค์เป็นเทพชั้นต่างๆก็ต้องทําบุญทําทานอย่างที่ญาติโยมได้มาทํากันในวันนี้การทําทานก็คือเอาเข้าวของเงินทองสิ่งที่เป็นของของเรา สิ่งที่เหลือกินเหลือใช้ที่เราก็ไม่ได้เอาไปใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เอามาเปลี่ยนเป็นทรัพย์ภายในดีกว่าเอามาเปลี่ยนเป็นบุญเพราะบุญนี้เป็นเหมือนทรัพย์ที่เราจะใช้เวลาที่เราตายไปแล้วเหมือนกับเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเราเอาเงินบาทไปใช้เมือง น, นอกไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนเงินบาทให้เป็นเงินดอล พอมีเงินดอนไปอยู่ประเทศไหนก็สามารถใช้ได้ซื้ออาหารได้ซื้อที่พักที่อยู่อาศัยได้ไปท่องเที่ยวได้เนะพราะเรามีเงินดอนติดตัวไปจันได้ทรัพย์ภายนอกที่เราใอยู่ในปัจจุบันนี้เวลาเราตายไปเราก็เอาอไปไม่ได้ถ้าเราไม่มีทรัพย์ภายในติดตัวไป เราก็จะไปแบบขอทานนะไปแบบคนยากคนจนนะแต่ถ้าเราเอาทรัพย์ภายนอกมาแปลงเป็นทรัพย์ภายในเอามาแปลงเป็นบุญด้วยการทำทานแบ่งปันจาระาเสียสละนะนะเงินทองข้าวของที่เรามีอยู่อย่างมณิย่าโยมก็นำเอาสิ่งของต่างๆอาหารข้าวหวาน เพิ่มใช้ไม่สอยเงินทองไว้สำหรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบุรณะซ่อมแซมถาวอลวัตถุต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นวัตถุทานเป็นการสร้างบุญเป็นการเปลี่ยนเงินทรัพย์ภายนอกมาให้เป็นทรัพย์ภายในเมื่อเราทำแล้วเราก็จะเกิด ความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาทันทีแล้วเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นเทพต่อไปไม่ต้องไปอบ า, ายยังไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเที่ยวก่อนเหมือนการไปสวรรค์นี้เหมือนกับเราไปเที่ยวต่างประเทศหลังจากที่เราเที่ยวเงินหมดแล้วเราค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ มาทำบุญใหม่มาละา บ, บาปใหม่แต่เรายังต้องกลับมาเกิดเพราะเรายังไม่ได้กาจัดเหตุที่จะทำให้เรากลับมาเกิดการที่เราจะทำให้เหตุที่ทำให้เรากลับมาเกิดนี่เราจะต้องปฏิบัติทำข้อที่สก็คือการนั่งสมาธิการทำใจให้สงบพอวเวลาทำใจให้สงบแล้ว ใจของเราจะมีความสุขเต็มที่สุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายที่เราได้จากโลกนี้สุขต่างๆที่เราได้จากาะลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลกิ่นรสในสู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้นัติสันติปรองสุขขันสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มี มีความสงบนี้เป็นความสุขที่สูงสุดถ้าเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็จะสามารถใช้ปัญญามาสอนให้เราตัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ตอนนี้เราตัดไม่ได้เพราะเรายังต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มาให้ความสุขกับเรา เพราะเรายังไม่มีความสุขภายในใจของเราเราก็เลยต้องไปหาสุขภายนอกหาสุขจากลาบยศสรรเสริญหาสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะเราจึงต้องมาฝึกสติก่อนเพื่อมาทำใจให้สงบนั่งสมาธิเดินจงกรมเวลาเดินจงกรมก็ให้มีสติอยู่กับการเดินรู้อยู่กับคำบิกรรมพุทธโธพุทธโธ อย่าให้ใจไปคิดด้วยเปื่ออย่าให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องน uh,> uh ั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อยู่กับการเดินก็ได้หรืออยู่กับคำบริกรรมพุทโธก็ได้ถ้าอยู่กับการเดินก็ดูที่เท้าว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปถ้าอยู่กับคำบริกรรมก็พุทโธพุทโธพุทโธไป เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้ใจเราไปคิดถึงสิ่งต่างๆถึงบุคคลต่างๆพอเราไม่คิดใจเราก็จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเป็นสมาธิในระดับแรกก่อนคือไม่ฟุ้งซ่านพอเรานั่งพอเราเมื่อจากการเดินเราก็มานั่งพอนั่งเราก็มีสติกำกับใจต่อไปถ้าจะดูก็ดูลมหายใจเข้าออก แทนดูเท้าเพราะตอนนี้เท้าเราไม่ได้ก้าวไปไหนมาไหนเราก็เลยใช้ลมหายใจเป็นเป้าหมายของการตั้งสติดูใจดูลมหายใจเข้าออกอปะอาณาปณะสติเ่ย อ, อาณาปาณะแปบลบว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการจดจ่อเพ่งให้รู้อยู่กับลมเข้าลมออกเรียกว่าอาณาปณะสติ ถ้าเราคอยจดจอดูแต่ลงเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ใจเราก็จะค่อยๆสงบค่อยเบาลงไปเรื่อยๆลมก็จะเบาลงไปละเอียดลงไปแล้วในที่สุดก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้พอสงบลมก็หายไปใจปล่อยลมปล่อยร่างกายอยู่กับผู้รู้สัตว์แต่ว่ารู้ไปอยู่กับอุเบกขา อยู่กับความสุขที่ได้จากความสงบเนี่ยนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการฝึกสมาธิทําใจให้สงบถ้าเราฝึกสมาธิได้แล้วมีความสงบแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากภายนอกไม่ต้องไปหาความสุขจากแฟนไม่ต้องไปหาความสุขจากข้าวของเงินทองต่างๆไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส พอเราออกจากสมาธิมาเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากได้ความสุขจากเงินทองจากคนนั้นคนนี้เราก็เอาปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้มันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะว่ามันไม่ถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไป ได้ลาบแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียลาบไปได้ยศแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียยศไปได้สรรละเสริญแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียสรรละเสริญไปได้รูปเสียงกลิ่นรสมาเดี๋ยวก็ต้องเสียไปพเพราะร่างกายของเราจะไม่อยู่ไปตลอดจะไม่สามารถรักษาลาบยศสรระเสริญไม่สามารถรักษาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไปได้ตลอด เราไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไปลามยศเสริเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะต้องหมดไปหรือบางทีมันหมดก่อนที่เราตายไปเสียก็มีเช่นเป็นข้าราชการพออายุหกสิบก็ต้องกเกษียณแล้วมีตำแหน่งอะไรเป็นอธิบดีเป็นอะไรก็ต้องหมดไป ถ้าเป็นข้าราชการการเมืองเดี๋ยวพอมีการเลือกตั้งใหม่ตำแหน่งรัฐมนตรีนายกก็หมดไปหรือถ้ามีการปฏิวัติก็หมดไปนี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเรานั้นมันเป็นความสุขปลอมเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวมันมีวันที่จะต้องหมดไป ถ้าเราเห็นแล้วเราก็จะได้ไม่อยากเอาพอได้มาแล้ ว, ลวเดี๋ยวต้องมาร้องห่วงร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเช่นคนที่ยังเป็นโสดอยู่อยากจะมีแฟนอยากจะมีสามีอยากมีภรรยาก็คิดว่ามีแล้วจะมีความสุขแต่ไม่คิดว่าเดี๋ยวเกิดเวลาที่ทะเลาะกันเดี๋ยวเกิดเวลาตีกันเดี๋ยวเกิดเวลาที่ต้องจากกัน มันเป็นมันเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์กันอันนี้เวลาเราอยากแล้วเราจะมองไม่เห็นความอยากมันจะทําให้เราเห็นแต่ความสุขที่เราจะได้จากสิ่งที่เราอยากได้เราจึงต้องมาใช้ปัญญาสอนใจคิดล่วงหน้าไว้ก่อนคิดถึงสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ก็ตามหรือที่เรายังไม่มีแต่แตอยากได้ ให้คิดว่ามันเป็นของไม่แน่นอนเขาเรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงแล้วก็อนัตตาไม่ใช่ของเราว่าเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้บังคับให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้บังคับให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่ได้ถึงเวลามันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเช่นได้แฟนมาใหม่ๆก็ดีไปหมด พออยู่ไปสักพักเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนเคยเอาใจเราพออยู่กับเราไปแล้วเริ่มเปลี่ยนจากการเอาใจเรากับเอาไม่เอาใจเราแล้วกับเอาใจเขานี่คือการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีจึงพยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่ามีเกิดก็ต้องมีดับมีเจริญก็ต้องมีเสือ่อม เราห้ามไม่ได้ยับยั้งไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราเราก็ควบคุมบังคับไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ห้ามไม่ให้เจ็บห้ามไม่ให้ตายไม่ได้เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเราก็เลยต้องทุกข์กันทุกข์เพราะอะไรไม่ได้ทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายทุกข์เพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย เราจึงต้องมาหยุดความอยากกันด้วยการพิจารณาด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราไปควบคุมบังคับไม่ได้เขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายก็ต้องยอมรับความจริงปล่อยเขาแก่ปล่อยเขาเจ็บปล่อยเขาตายไปอย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะจะทำให้เราทุกขทรมานใจถ้าเราปล่อยให้แก่ให้เจ็บให้ตาย เราจะไม่ทุกไม่ทารมานใจความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ทําให้เราทุกกันความเสื่อมของลาบยศสะรเสริญสุขไม่ได้ทําให้เราทุกกันแต่ความอยากให้เขาไม่เสื่อมที่เป็นเหตุที่ทําให้เราทุกกันที่เราอยากเพราะเราไม่เห็นความจริงว่าเขาต้องเสื่อมเราไม่เห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเอง เราจึงต้องหมั่นศึกษาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่อยากได้เมื่อเราไม่อยากเราก็จะไม่มีความทุกข์เขาจะเจริญหรือเสื่อมก็ไม่ได้มีส่วนมากระทบกับใจเราเพราะใจเราไม่มีความอยากให้เขาเสื่อมหรืออยากให้เขาไม่เสื่อมเพราะเราไม่มีความอยากได้ เพราะเราเห็นว่าเขาเป็นทุกข์เราไม่อยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยพอเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับเขาเขาก็ไม่สามารถทำให้เราทุกข์ได้นี่คือวิธีกำจัดความอยากต่างๆความโลภต่างๆที่จะดึงใจของเราให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆพอเราใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้ามากาจัดความโลภความอยากต่างๆได้หมด ใจของเราก็จะไม่มีเหตุที่จะมาทําให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปใจของเราก็จะเป็นนิพพานไปจะอยู่แบบไม่ต้องมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่คือผลที่เราจะได้นะจากการที่เรามาทําหน้าที่ของชาวพุทธเรามาศึกษาคําสอนของพ่อพระเจ้า ที่สอนให้เราทำบุญทำทานให้เรารักษาศีลให้เรานั่ ง, งสมาธิให้เราเจริญปัญญาถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้เราก็จะสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป เราจะได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกพราใจของพวกเรานี้ไม่มีวันตายนั่นเองแต่ยังมีการมาเกิดอยู่ถ้ายังไม่ได้ชําระความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแต่พอชําระหมดแล้วใจก็ไม่มีอะไรมาดึงให้กลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็จะได้ไม่มีความทุกข์นั่นเองทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น ถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตรางนั้นก็ยังมีความแก่ความเจ็บความตายอยู่ถึงแม้จะเกิดเป็นใหญ่เป็นโตเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นข้าราชามหากษัตริย์เป็นมหาเศรษฐี mm. ก็ยังต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้าไม่กลับมาเกิดก็จะไม่ต้องทุกอีกต่อไป mm. นี่คือประโยชน์นันสูงสุดที่เราจะได้รับ ถ้าเราได้ปฏิบัติครบทุกประการที่พระพุทธเจ้าทรงสังส่งสอนถ้าทำบุญทำทานรักษาศีลก็ได้ไปสวรรค์ถ้านั่งสมาธิก็ได้ไปโพมัลโลถ้าเจริญปัญญา ช, ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็จะไปนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บอีกต่อไปดึงของฝากเรื่องของการทำหน้าที่ของชาวพุทธเรา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 น่าขันเจริญแค็งแาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ